6. กุติการะสิกขาบทเพราะการสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. กำลังใช้ให้สร้างต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออิดอีกก้อนหนึ่งจะเสร็จต้องอาบัตทุนละใจ 3. อิดก้อนสุดท้ายเสร็จแล้ว ต้องอาบัตสังฆาทิเศษ